3. การบอกเคลนสิขาโดยใช้คำเป็นปัจจุบันว่าไม่เกี่ยวข้อง14บท 52. วงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิษุขสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครือหัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าเลิกเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า